ยเงนนนนนินเงินเงินทองทองกองวัดตอนี้แต่ละวัดก็ต้องเร่งจัด ก, การเรื่องเงินทองทองทั่วประเทศวันที3สามสิบมาอีกระรับสองยังไม่รู้จะมาอีกยังไงมาตั้ตวแต่แล้วแต่ อ่ะแล้วก็ติดเราก็ตอนนี้นก็จะเริ่มตั้งปืนตั้งไฟได้แล้วมั้งก็ยังไั่ได้ทอดก็เริ่มตั้งปืนตั้งไฟได้ ล, ขละขอเราก่ารวัออดหลวงพ่าทองแดงวันก็มาให้ติดไม่ชนกันเขาพูดถึงว่าทองแดงพุวกนี้มันเกิดตอนเย็นเจริญพุทธมนตร ตอนเช้าบินท บ, บาทชันตอนบ่ายก็ส่งน้ำน้ำส่งราชธานจะมาตอนบ่ายของพวกนี้ไม่โชคดีเคลียร์เรื่องโรงพยาบาลเรียบร้อยหมแล้วนี่เองต้องโยงโรงพยาบาลเพื่อฟังผลวัตถุสารเสรตก็เลยเคลียร์ทุก อ, อย่างเลยไปได้ส่วนวันพระน้าครบรล้ หนึ่งปีวันมรภารมพมังผูอิสมสวีโรวันพระเนี่ยวันเผาก็ไม่ไปวันเผาก็ไม่ได้ไปวันร้อยวันก็ไม่ได้ไปก็เลยวันนี้ไปให้เขาหน่อยต้องตรงกันสินหน้านูที่ก้าวสินใหญ่ด้วยนะช่วงเช้าของไปอยู่แต่พูกนี้ยังอยู่ตอนเช้ายัางชันอยู่นะ ตอนเย็นนะไปสวดมนต์ตอนเย็นว่าเรื่องของเราเถอะเรื่องเงินเรองทองไปก่อนว่าเรื่องของเราอถ้าดูจะแล้วเราพูดถึงเรื่องสามขั้มคือสามว จำได้ไหมสามคำเองไม่กล้าถามมันคือตอนคำรัตนาบางคำมันก็ไ่าฟังปวงสัตว์ในโลกาี่เลตน้อยก็ยังมีพอมันจัดแตว่วะหา ไปทำก่อนลงท้ายบอกพูดปีศาอันเลินลำนะ้ำจะไมก่กล้าพูดเลยเนะี่ยก็ไม่กล้าพูดเลยถก็เป็นคำปรานาเดี๋ยวรนทัาพรมนสาวท้าวสามปฏิพรมลงทาวปฏิพรมพ้นบนรรลุเลยนะพ้นมันไม่บนญอยกับเราแล้ะ พันบนรลุแล้วพันมาบ น, บ, นบายของเราแล้ววันนั้นสามคำมันนี้ก็สามคำอีก อ, อย่าไปจำเยอะขนาดสามคำมันจำไม่ได้เลยบอกแล้วบอกให้สักเซนนะแข็งมหัวแล้วอาบน้ำจะเลยแนละ้วอ้าว อาบน้ำจะเริ่มจะได้เห็นไม่งั้นก็ไม่จำได้ทีเป็นสามคำสั้นๆง่ายๆก็จริงแต่ว่าเราถ้ายให้ผลแล้วมันโดนหมดมันมันใช้ได้ก็มันคุ่มประเด็นหมดอ่อนนี้ก็สามคำเช่นเดียวกัน สามคำแรกอ เ, อเอาง่ายๆภาษาไทยง่ายๆแต่ถ้าเราไปตีโจทย์เองคำแรกก็คือรู้คำ2คือเห็นคนที่สามคือจริงสามคำง่ายๆเออ อ่าตอนนี้ทำไมเต้บอกว่าให้รู้เขาบรนเจะตรงทางข้ามรู้ตรงข้ามก็ไม่รู้คืออวิชชาต้องรู้รู้ ร, ร, รู้อะไรสิ่งที่เราเรียกเรารู้เราเรารู้รรอะไรไปยังยังนึกไม่ออกมาถามพระพุทธเจ้าต้องการให้รู้อะไร ความประสงค์เราอยากจารู้ต้องให้รู้อะไรคือเราเป็นผู้รู้อันแรกนะเ้าเรานั้นเป็นคำที่ติดปากแล้วเด็กก็จําได้แล้วเพื่อที่การคำคำแรกก็รู้การที่สองคือเห็นไม่มีใครไม่เห็นลืมตาเูาก็เห็นหมด แต่สิงทีเห็นเราเห็นในระดับไหนระดับสัญญาหรระดับปัญญาเพราะฉะนั้นความเห็นที่เรียกว่าเอ็นในทางทำสอบทงเราเราจะเรียกว่าปัจสนะหรือวิปัจสนาใ น, นคำว่าเกลื่็นแจ้งเห็นแจ้งอะไรความจริง เห็นต้องเห็นความจริงด้วยเพราะจริงที่เราเห็นนั้นมันมีทั้งข้อเท็จแล้วก็ข้อจริงคือมีทั้งความจริงและความเท็จอยู่ในนั้นสิ่งเราจะต้องเรียนรู้คือเห็นก็คือความจริงความจริงคืออะไรคือสัจจะใครโกหกไม่ได้เขาจะเป็นเขาอยู่อย่างนั้นช่วนาตาปีช่วกับชั่วกันใครจะ จำรับหรือปฏิเสธเขาก็เป็นเขาเขาอันนี้รามรั้คอันแรกคําว่ารู้รู้อะไรรู้หรื อ, อยังรู้อะไรรู้ขันห้าของตัวเองตอนนี้เรารู้จักขันห้าของเรามากน้อยขนาดไหนรู้ขันห้าคือรู้ นามรู้รูปรู้รูป ร, รู้นามตอนนี้เราเป็นความรู้เรื่องนี้มากน้อยกันอในตัวของเราเองไม่ั้งคนอื่นพวกการปฏิบัติธรรมกันกนดูตัวเองดูแลต้องให้รู้ว่าองค์ประกอบของตัวเองคืออะไรแต่เป็นรถยนต์กับชิ้นส่วนอะไรประกอบได้ อ, อะไรบ้างก่อนรถจะขับเคลื่อนไปได้ เมื่อมันพร้อมแล้วมันจะขับเคลื่อนไปขนาดหได้อย่างไรหนึ่งสองสามสตาร์ทเบรกขันเร่งอะในตัวเรามพร้อมไหมพร้อมที่จะเริ่มไหมพอที่จะเบรกเป็บางเรื่องไหมพร้อมที่จะเร่งเป็นบางเรื่องไหมต้อเ ง, เงเร่งก็คื อ, อ ป, ปัญญ า, ามันเ ร, เรื่เบรกก็สิ่งที่ไม่ดีพอจะเบรกก็ไมรลองสตาร์ทเริ่มต้นเราเริ่มต้นหรื อ, อยัง ถ้ยังไม่เริ่มต้นเราเมื่อไหร่จะเริ่มก็ราสิ่งที่เราเตมต้ น, ต น, ตนมันถูกทางไหมเราเห็นทางไหมเมื่อคำว่ารู้คาเดียวนะมันมีความหมายมีลึกซึ้งวันที่เราทำในวันรู้นี่ก็คือสตินั่นเองซึ่งเป็นคำแรกที่เรางพ่พูดบ่อนพระไปแล้วก็ยังมาต่อเนื่องได้คือมันเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่จะคนระวักคนละตอนคนละเรื่องคนละวัน แต่เราสามารถจะมาใช้เป็นเรื่องเดียวกันได้รู้คือมีสติสตินี้อยู่ตรงไหนต้องการสอนอะไรสอนจิตจิตที่มันรู้เรื่องร่างกายมากว่าขนาดไหนจิตของเรารู้รูปรู้น้ําขนาดไหนรู้ธาตุรู้ขันขนาดไหนเมื่อมันไม่รู้ก็คืออวิชชาจึงเป็นเทมาคำนั่นคือคําแรกคือคำว่ารู้แปลงั้นมันก็จะเป็นอวิชชาอยู่ี้ เราก็เคยเดาเรารู้อืมเรารู้เรื่องหมดเต็มทีงมันไม่ใช่แต่ที่รู้คือบางที่รู้เฉยๆแต่ไม่เคยเห็นอย่างเช่นรู้ว่าอเมริกามี50กว่า ร, รัฐคน2 3อยล้านอันนี้รู้นะแต่เห็นไหมไม่รู้ว่าจุฬาลงกรพ์วัดพระแก้วที่วงไม้วังวัดวาอาราม เ, าเยอะแยะมากมายรู้อ่านทประกรหมดแต่เห็นไหมไม่เห็น น, นี่คือไม่อยู่ศาสนา มันไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มันเขาเรียกว่ารู้แต่ไม่เห็นเนี่ยวิปัฏฐนาคือการรู้ไม่ใช่รู้ทํามารู้แจ้งไม่ใช่รู้แบบมมืดมัวมวรู้แจ้งแจ้งไต่แจ้งความจริงตามความเป็นจริงของเขาเขาเป็นจริงของเขาอยู่อย่างนั้นดินเขาเป็นดินน้ำเป็นน้ำไฟเป็นไฟลมเป็นลมเยก็ลกลับมาที่รูปเมืนเดิมเกี่ยวรู้จักความจริง รู้เลยต้องทำยังไงขาให้เห็นจริงรู้จริงเห็นจริงต้อง้เห็นความจริงนั่นเองเพราะพระพุทธเจ้าของเราสอนความจริงอยู่ที่ว่าเรายอมรับความจริงเราได้ไหมรับได้มากรับได้น้อยก็อยู่ที่พวกเราเมื่อกีเราพูดถึงสัพเพเหระเรื่องทัท่วไปเรื่องการยอมรับ เลยความเชื่อมั่นในตนเองสุดท้ายก็มาดูที่ลงที่ตัวเราเองอย่างความเชื่อมั่นเราเชื่อไปหมดคนนั้นพูดคนนี้พูดเราเชื่อหมดแต่ไม่เชื่อตัวเองความเชื่อมั่นตัวเองมันไม่มีไม่เชื่อตัวเองคือไม่เชื่อสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวตนในรูปในนามวามตัวเองกลับไปเชื่อไปรับข้อมูลข่าวสาร อ, อื่นของคนอื่นซึ่งไม่ใช่ตัวเราแต่กลับมาที่เดิมเองพุทธเจ้าตจัดว่าอย่างไรการปฏิบัติธรรมการดูตัวเองเมื่อเราไม่ดูตัวเองเราก็ไม่รู้เราก็ไม่เห็นและที่สำคัญคือไม่รู้จักความเป็นจริงหรือความเป็นไปของมันพุทธเจ้าก็ขยายต่อไปอีกว่าเห็นก็จริงเห็นอย่างไงเห็นความเสื่อมของมัน สรุปโดยสรุปจริงๆเ้าก็เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปคือความซื่มสิ้นของมันในแต่ละวันแต่เรียนแต่ละปีทุกวินาทีมันไม่ได้เคยคงที่มันเสื่อมมันสลายค่อยเป็นค่อยไปแต่เราไม่เห็นก็คือไม่ไม่วิปัสสนานไม่เห็นไม่เห็นอะไรไม่เห็นสัจจะความจริงที่มันเสื่อมนั่นเอง มันกําลังเสื่อมอยู่ที่มันเสื่อมแล้วและมันกําลังจะเสื่อมในอนาคตไม่เห็นอย่างนี้ก็เรื่องไม่เป็นสานไม่เห็นก็คือไม่เป็นศสนาคือไม่รู้แจ้งจรงจตามความเป็นจริงความรู้เบื้องต้นจึงมีประโยชน์อะไรถ้าไม่รู้พวกนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อให้รู้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านรู้เรื่องหมดแต่ไม่รู้ตัวเองก็ไม่มีประโยชน์อันไดเลยทือจะขับเคลื่อน ไปข้างหน้าโดยเฉพาะเร่องเส้นทางที่ยาวนานคือวัฏสงสารอันนี้มันคือภพอชาติที่เรามีอยู่วัฏอสองสารที่เรามีอยู่ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะนั้นยานพาหนะที่กับเคลื่อนไปข้างหน้ามันเร็วที่สุดเขาบอกเขาคิดเอาเร็วที่สุดแสงเร็วที่สุดจริงจริงจิตกลา ง, งมือเร็วที่สุดเราจรึงรู้ไม่ทัน รู้ไมถ้าท่านจิตของตัวเอง น, นคือคำว่ารู้เพื่อเป็นประโยชน์ตรงนคือสอนสติสอนจิตให้มีสติคือระดัึกขึ้นมาได้ทั้งือไม่ือทุกอย่างที่เกี่ยวกับจิตต้องสอนเขาให้รู้เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจิตของเราไม่งั้นมันก็คิดอยู่บนเดิมวันนีคิดไม่ดีมันก็คิดไม่ดีบนเดิมมันมีการเปลี่ยนแปลง คือมันได้แค่นั้นมันยินดีมันพอใจจิตมันอยู่อย่างนั้นมันคิดอย่างงี้มันดีอยู่แล้วมันไม่มีอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบเรียบเคียงอเห็นความแตกต่างให็นความมหัศจรย์ทั้งบวกแล้วลบทั้งดีและไม่ดีมันไม่เห็นความแตกต่างมันบอกว่ามันเป็นอยู่นี่ก็ดีอยู่แล้วมันไม่เคยคิดจะทําให้มันดีกว่าเก่ามากกว่าเก่ารู้แจ้งจริงจริงมากกว่าเก่าจิตมันพอใจอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้ ไม่ได้กระจบกลับเคลื่อนไปไหนมันชั่วนาตาปีถ้ายบงตรงคือไม่รู้ที่กับกันมาแล้วจิตมันโมหะอยู่อย่างนี้มหลงคืออย่างนี้มันเลยไม่ไปไหนไม่ไหนก็เลยมันไม่พัฒนามันมมนั่งมืดเช้าเมื่อเช้าหลงพ่อหลวงพ่ดถึงครว่าของในหลวงหล่อกลางเราเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเป็นธรรมะชั้นยอดเลย เข้าใจคือเข้าใจตัวเองไหมเข้าใจตัวเองก็คือรูปนามนี่ไหมเข้าใจเข้าถึงจิตคือใจตัวเองนะเข้าถึงจะยื่สิ่งอยู่นนอยู่ในใจไหมเมื่อหยิยในใจเข้าถึงหรือเข้าถึงใจพัฒนามีการพัฒนาไหมพัฒนาคือเจริญมันดีขึ้นกว่าเขาไหมมันยกระดับของจิตของเราเรื่ความคิ ด, ด ค, คําพูดการการะทํา ที่จะพึงได้พึงมีพึงเป็นที่แสดงออกมันดีกว่าเขาไหมระดับความคิดคำพูดกันกระทานะแต่มัน ม, มันไ ม, ม่อะไรเปลี่ยนแปลงหรือพ่อเราไม่ปรับปรุงมันจังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันใหม่ใมันก็ไม่เกิดขึ้นสุดท้ายเราก็จะคิดเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมและต้องการความดีแค่ต้องการคืออยากอยากเฉยแต่ไม่ปรับไม่ปรุงไม่เปลี่ยนไม่แปลงตัวเราเอง มันจะเอาความดีมาจากไหนวัง น, นั้นแต่ละวันละเดือนแต่ละปีต้องปรับปรุปงเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอแล้วก็รู้คือเห็นทั้งรู้และเห็นเห็นความจริงที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเห็นรูปเห็นนามมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดวองะฉะนั้นตัวที่มันครอบงำที่เป็นโมหะทำเราไม่เห็นเสียงเหล่านี้ก็คือรูปยังไม่พอมันตามด้วยเสียงกลิ่นรสผลึกพระ ทำมารมทําให้โมหะครอบงําเรามันเลยไม่ไปไหนแม่ไหนสุดท้ายเราก็ติดที่รูปซึ่งหลงมักใจว่ารูปคืออะไรเข้าใจว่ารูปก็คือรูปสวยรูปงานรูปผู้หญิงรูปผู้ชายนี่คือความรู้อั น, น้สัญญาตัวเป็นตัวสัญญาะไม่ใช่ตัวปัญญาถ้าเป็นตัวเป็นยางบอกรูปที่แท้จริงมันคืออะไรมันก็คือดินน้ําไฟลมที่เข้าใจว่าเป็นรูปเป็นรูปเนี่ย มันคือดินมันคือน้ามันคือไฟมันคือลมแต่เขาจะตรงกันอย่างนี้เลยวิปัสนาเรื่มไม่เห็นลวเห็นต่างจากเดิมวาเห็นเป็นรูปสวยรูปงามหน้ารักหน้าช้งางมากใครหน้าพอใจออกมาจากรูปเสียงเก ล, ลียวปฎิภาท้ามก็มาเป็นครวนะโมหะมาทําหน้าที่นะ่ะจนหลงหลงอะไรหลงตัวเองหลงคนอื่นเราก็เป็นอยู่ในช่วนาตาเอแต่เราไม่เห็น ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องแปลกประหลาดเปนเรื่องผิดปกติเป็นเรื่องล้ากายเป็นเรื่องธรรมดาเลยไม่เข้าใจสภาวะสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงนี่คือสัจจะนั่นแหละตัวสุดท้ายสามคำสุดท้ายาคือรู้เห็นจริงคือสัจจะความเป็นจริงในแต่ละวันเราไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ไม่กี่คำไม่กี่วลีไม่กี่ประโยคเราไม่เคยโอปัญญโกคือน้อมว่าเองว่า จริงๆแล้วมันมันเป็นอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ไม่กี่คําไม่ประโยค์เนี่ยมันมีความหมายใช้ได้กับชีวิตเราทั้งสีวิตใช้ได้กับการปฏิบัติของเราคือยืนเดินนั่งยืนสักแต่ว่ายืนเดินสักแต่วาเดินนั่งสักแต่ว่านั่งมันไม่ีความรู้อะไรขึ้นมาเลยมันไม่เห็นอะไรขึ้นมาเลยแจงไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันไม่เห็นความจริงที่มันเป็นอยู่รูปมโนจามรณเวทนา ก็สุขะเวทนาทุกขะเวทนานัพอจะเห็นจะเห็นแล้วก็เปลี่ยนกันแล้วเดินมากทุกขะนาเกินมานแล้วก็ปรับนับ่งมากทุกขะเวทนาไปยืนเราก็ปรับเวทนามันก็อยู่กับเราอยู่อย่างนี้มันไม่ได้ไปไหนมันไม่ได้เพิ่งมีเพิ่งเป็นเพิ่งเกิดมันเป็นมันมีมันเกิดขึ้นกับเราในออนี่ก็เพราะว่าตัวแรกคือไม่รู้ไม่รู้มันก็เลยปรับไปปรับมาอยู่อย่างนี้ในรูป ในเวทนาอันยาสังการวิญญาณมันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันทั้งหมดที่เป็นอยู่นในก็เพราะว่าหนึ่งศรัท ธ, ธาเป็นเบื้องตน้นถ้าศรัท ธ, ธามั่นคงมั่นคงหมายาว่าไม่ไหมดไวควนไหวไปตามสัญญาอารมณอย่างข่าวที่เป็นอยู่ทุกวันทุกวันต่อเรื่อเสพข่าวยิ่งปดหัวเนี่ยศรัทธาเราก็เริ่มคอนแคลงไม่ตามมัน่นพูดยังไงก็ไม่มั่นใจ ไม่มั่นใจไม่มั่นใจอะไรไม่มั่นใจในคุณของพระัตนาใจแล้วมันใช้ได้หลือคุณของพัตนาใจถือว่ามั่นคงแล้วถ้าใครยึดมั่นในพระัตนาใจชีวิตของคนนั้นจะมั่นคงจะไม่หวั่นไหวจะไม่เป็นอย่างนี้เราเราเชื่อมั่นว่าคุณของพระัตนาใจคือคุณของพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์ คือพระัญาติคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรณาธิคุณในคุณก่อนคุณของพระธรรมเี่นเป็นอยู่สบคาโตก็พลานากันไปสุปฏิปโนคุณก็งพระสงค์หมายถึงพระอริยสงฆ์สงฆ์ที่แท้ จ, จริงไม่สงฆ์โดยสมมติเราเข้าใจแยก อ, ออกกันกันเราก็จบ ล, ละอันนั้นคือสัจจะคือความจริงแต่ถ้าเราปไปวันไว้ไปตามสัญญาหรือว่าทำไมพระทําไม บงการก็จะมั่วไปหมดมันไม่เกี่ยวเละสุดท้ายก็ตัดทิ้งไปเลยนั่นเป็นเรื่องของคนอื่นโดยภาพเบลอคนอนีเขาจะดีเขาจะเลวเขาจะชัว่วเป็นเรื่องของเขายกของเขาไม่เกี่ยวอะไรกับเราจริงๆมันไม่มีผลเลยต่อเราเลยพอเราไปยึดเอาเขาจะนั้นนี่แหละคขาบ่าอุปาทานไปยึดเอาจะนั้นก็ไปทุกข์ทุกข์ขาดแล้วก็ไม่รู้ อปฏิคําแรกเนี่ยก็ไม่รู้ที่ไม่รู้เพราะอะไรไม่มีสติสติมันน้อยก็คลอยตามเราผสมรล่งกันไปจุไปกันใหญ่เลยไปไหนก็ไม่รกูไม่กลับเนี่ยนี่คือคำคแรกคํา่อไปเพราะว่าเราไม่เห็นเอาความเป็นจริงอ่ะจริงๆความจริงมันอยู่ตรงนี้ให้ทุกคนแก้ไขปรับปรุงพัฒนาตัวเองทุกคนเอารูปกับนาม น, นั้นเป็นตัวตั้งเราทําวินยัยเป็นเครื่องขัดเกลา ขตัเองเพราะว่าธรรมวินัยนะี่เป็นศาสตาเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเราไม่เคารพไม่ทำตามตัวแทนของพระพเจ้าคือธรรมวินัยมันถึงได้เป็นอย่างนี้เราไม่เข้าใจสิงเลยมันถึงได้เป็นอย่างนี้แต่ที่สาคัญร้ายไปกว่า น, นั้นคือมีได้ปริยัตปฏิบัติมันไม่มีไม่เคยเลย เคยนั่งสมาธิสามสิบนาทียี่สิบนาทีชววงหนึ่งไหมย่าไม่ต้องถึงเป็นวันเป็นคืนอ่ะเคยมีไหมในแต่ละวันเพราะมันไม่มีมันถึงไม่มีฐานข้อมูลของจิตมันไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ในจิตมันจะมีแต่อคุสสนอยู่ในจิตอคุสสนเกิดขึ้นไม่มีความรู้คือไม่มีสติอือเพราะอะไรเพราะว่าสติตัวนี้เป็นตัวอารมจิตจิตไม่มีสติ มันก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นกุศลละกุศล จ, จริงจริงแล้วจิตมันเป็นกลางมันไม่ได้เป็นกุศลมันเป็นอกุศลมันก็มีอยู่แค่นี้นว่าจิตกุศลนั้นเป็นยังไงอกุศลเป็นยังไงสมาธิเป็นตัวเบรคเป็นตัวสกัดขั้นท่านทให้รู้ว่าโอ้ถาสัจมสมาธิมั่นคงมันก็วนเวีไปตามสัญญาอารมณ์มันต้อมีกําลังไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง ก็จะทําต่อพูดต่อคิดต่อสติสมาธิปัญญาเพราะว่าไม่รู้แจ้งจริงๆตามความเป็นจริงไม่มีแสงสว่างที่ขจัดความมืดความมามแบบสลัวๆเคยคิดเคยพูดยังไงทำไงอยู่เหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง น, นะประชีวิตเราก็ไม่ไปไหนไมาไหนมันก็รูได้แค่นี้เพราะมีข้อแตกต่างเพราะนั่นที่เราปฏิบัติต้องการให้เราเห็นข้อแตกต่าง ในแต่ละวันเาะในแต่ละเดือนแต่ละปีว่าโอ้ว่าปีนี้วันนี้ภาษานี้การนี้กูดูฝนนี้เรามีอะไรเพริ่มเติมมากกันอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองไม่ได้อยู่ในคนอื่นเลยอยู่ที่เราทำเมื่อเช้าเราพูดถึงคนมีบุญคนมีบุญอธิบายว่าเราเกิดมาทุกคนที่เป็นคนเป็นมนุษย์อยู่ในภพนี่ยถือว่านี่บุญมาก่อน ถ้ามีบุญมันเป็นอย่างนี้อาการ32ไม่ครบอย่างนี้นี่คนมีบุญเพราะฉะนั้นเรามาต่อบุญมาเพิ่มบุญเพิ่มกุศลอย่าประมาทว่าเออเป็นคนเป็นมนุษย์แล้วดีกว่าประเสริฐกว่าเลิศกว่าแล้วบุญไม่ทําต่อแล้วบุญมันก็หมดไปเรียกว่าคนหมดบุญครากฏตายครบเนี่ยเขาจะเรียกคนว่าหมดบุญหมดบุญแล้ว หมดบุญคือหมดโอกาสที่จะทําบุญแล้วแต่เรายังมีอยู่อย่ามีแต่ไม่ทํามันก็เท่ากับไม่มีนั่นแหละ ว, วันนั้นเราก็รีบขนถวายวันละเล็กวันละน้อยโอกาสเวลาเท่าที่นีอยู่เพราะแม่ครูอาจารย์พาทําถือเป็นโอกาสที่เราจะแสวงหาบุญกระดอ น, นกับตัวเราอื่นแต่ที่ทํากันคือสติ เราดนักขึ้นมาได้อยู่เสมอว่าเออความดีที่เราทํามีเยอะแยะมากมายก่อนจิตตัวนี้จะดับจะจากกลางก็จะออกจากร่างไปให้นึกถึงสิ่งเหล่านี้เราฝึกสติตัพพานให้ฝึกอย่างนี้ไม่ใช่อวเวทนาเข้ามาคั้นบีบนึกอะไรไม่ออกเลยมันก็จะอยู่เวทนาตกเป็นธาตของเวทนา mm hmm. เวทนาบีบคั้นเสร็จแล้วนึกอะไรไม่ออกมันอันตรัง ลงการละคุยยาเรื่องต่างเขาเคาไมาา่เข้ายจเนาะแต่แล้วถ้าเกําหนดแต่ว่าคนที่ไม่เคยเป็นอืคือกําหนดมันเป็นกําหนดไม่ได้ก็ก็ไม่รู้จะกกําหนดอะไรเพราะฉะนั้นทุกคําว่าทุกนี่ผู้ยองเชาวว่ากําหนดไม่ได้ละกําหนดในระดับไหนเรื่องละไม่ต้องไปพูดถึงมันละไม่ไเพราะนั้นถ้าเราไม่รู้ไม่เห็น ความเป็นจริงของเขาสามบริสามคำสามประโยคน์สามพยานแค่นี้ชีวิตเราก็จะพันไปหมดทําไมเข้าใจปัจะจายเป็นรู้ก็กลายเป็นไม่รู้คืออวิชชาวิปัสสนากายที่จะเห็นตามความเป็นก้องไม่เห็นความจริงก็เรียกว่าสัจจะแต่จะรู้จริงจริงตามความเป็นจริงเราก็ไม่เห็นความจริงเมืม่อไปเห็นความจริงมันก็ตรงกันข้ามเห็นแต่ความเท็จ ความไม่จริงก็แปลว่าเราก็อยู่ความเท็จความม่จริงแล้วก็ยอมรับความเท็จนั้นๆใ น, น, น, นแต่ละวันตอนทั้ที่มันไม่ใช่ความจริงแต่เราไปยอมรับมันยอมรับก็คือนําไปสู่ความคิดคำพูดการกระทําอาบีบัตินั่นก็มันยอมรับโดยป ร, ริยายเสิทธิปัญญาเราก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้ากกลับมาเริ่ก็กลับมามีสติในโอ้มันไม่ใช่แล้วะอรรถตัณฑสติคือระลึกนึกขึ้นมาได้นะั่นคือคุณสัขมขัสกับสติ นึกขึ้นได้ตามที่ความรู้รู้แต่ความเป็นจริงแล้วต้องเป็นความรู้ที่เป็นความจริงความจริงแท้ไม่ใช่ความเท็จเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องรู้เรื่องห้าสีกันห้ารูปกับนามอันนี้ดีพอแล้วถึงต่อไปที่เราจะตามคือตามกระบวนการของเราคือเห็นเห็นอะไรเห็นการเกิดขึ้นเห็นการตั้งอยู่เห็นการดับไป นี่คำ ว, ว่าเห็นไม่ใช่เห็นกันอยู่เห็ น, คน น, น, หนคนนั้นเห็นคนนี้เห็นคนโน้นแล้วตามความเป็นจริงเห็นการเกิดจังยุ่ยและความดับไปก็ปัญญามันยังเกิดขึ้นเกิดดับเห็นตั้งแต่ต้นจนมันดับตอนนี้นความคิดกับพูดการตามของเราที่มันเกิดดับเกิดดับตัวนี้เราไม่เห็นคือตัวสุดท้ายเมื่อไม่เห็นกลับมาที่เดิมก็ไม่รู้ ก็กลายเป็นอวิชชาตื้อเห็นแต่ไม่รู้มันก็คืออวิชชาแบะเห็นแต่ไม่รู้คือไม่รู้ไม่เข้าใจในเสิ่งเหล่านั้นมันก็เท่ากับอวิชชาคือก็เท่ากับความไม่รู้นะก็กลับไปกลับมามัดใช้ได้หมดมันวนไปเวียนมาเป็นอันเดียวกันสุดท้ายก็มาลงที่จิตนะเด้อถ้าจิตอยู่ในสภาพเราอย่างนี้คือยังไม่มีความรู้ยังไม่เห็นคือไม่เห็นความจริงอยู่ในจิตของเราก็จะเป็นอย่างนี้ ถ้าเราไม่อบถ้าเราไม่รมถ้าเราไม่สอนจิตของเราจิตของเราไม่เป็นที่จะฉลาดคือกุศลจิตมันก็ไม่เป็นกุศลคือมันไม่ฉลาดเมื่อไม่ฉลาดก็คือโง่ถ้าพูดภาษาเราง่ายๆก็คืออกุศลคนโง่มันทําอะไรมันก็ทำไปตามภาษาของมันแบบกโง่คิดก็คิดโง่พูดก็พูดแบบโง่าทกงาทก็ทงงําแบบกโง่ออกมาที่แสดงออกเรียกว่าอกุศล จริงๆก็ อ, อกศุศลคือไม่ฉลาดจิตไม่ฉลาดเพราะจิตมันไม่รับการเรียนรู้คือขอ้อแรกไม่รับการอบรมไม่รับการไม่รับการสั่งสอนเราต้องอบเราต้องรมชี้ไปที่จิตว่า อ, อันนี้คืออันนี้มันดีอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้คือเวทนาอันนี้คือสัญญาอนี่คือสังข์ไม่คือวิญญาณจิตเขาจะได้รับรู้ความจริงคือสัจจะแต่จิตเขาไม่รู้ตอน เพราะเราไม่อุรมจิตทุกคนอย่างนั้นถ้าไม่ผ่านการอุรมถ้าเราไม่ดูแลเขาอย่างดีนะคือปล่อยปละละเลยปล่อยปละจิตของตัวเองปล่อยไปปล่อยไปวันเดือนปีเราปล่อยไปไม่รู้คือวันกี่เดือนกี่ปีกี่ชาติกี่พบไปแล้วที่เรไม่อุรลมสั่งสอนไม่ดูแลมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่คือความสำคัญว่าทำไมเราต้องมาเริ่มต้นปฏิบัติธรรมทุกวันถ้าที่เราคิดได้นึกได้ การปฏิบัติธรรมหมายก็ว่าการภาวนามันภาวนาแล้วทุกอย่างที่คนถามว่านั่งสมาธิเราจะเป็นต้องหลับตาไหมนั่งภาวนาจะเป็นตอลอดตามันครละความหมายคนละเรื่องอ๋อปัญญามันได้เกิดมันไม่ได้เกิดเฉพาะ ก, ก, การหลับตาลืมตาก็เกิดได้ถ้าคนมีสติแต่ในขณะการหลับตามันก็ไม่เกิดอะไรถ้าไม่มีสตอสติปัญญาเห็นไหมเมลิมละ มันเริ่มเปนทางรัดเริ่มเป็นตัวเดียวกันแลส้สติก็มุ่งไปที่ปัญญาสติคือรึกนั่นคือไม่ได้เฉยนั่นคือสัญญาคือจําจําได้เฉยเฉยมันไม่ได้เป็นปัญญาสติปัญญาปัญญาคืออะไรคือความจริงความจริงที่เป็นอยู่ในขณะนั้นเช่นเวทนาก็จริงสัญญาสังขารปัญญาสุขะเวทนาทุกขะเวทน า, ทวนาความจริงเราก็เห็นความจริงนั้นแต่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป มันอารมณ์อย่างนี้มันจะเจริญมันจะเห็นถ้าจิตมันจำอย่างนี้บ่อยๆเมื่อมันประกขขึ้นมามันก็จะเห็นมันจะเข้าใจมันก็จะวางได้เต็มทีอ๋ออันนี้มันเห็นแล้วมันรู้แล้วมันเข้าใจแล้วเหมือนเราเรียนรู้สูตรทั้งหลายเลยพอเห็นปุ๊บเราจะเข้าใจแล้วก็วางได้เตนทีคือไม่ไปต่อแล้วเข้าใจแล้วนะแต่ประเด็นคือเรายังไม่เข้าใจรูปเวตนาใาสการวิญญาณตัวเอง เรายังไม่เข้าใจรูปและนามของตัวเองดีพอนั่นก็แปลวเป็นการบ้านที่เราจะต้องทําต่อให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ในแต่ละวันมากขึ้นมากขึ้นอะไรที่มันจะไม่ชัดยังไม่เข้าใจยกขึ้นมาพิจารณาว่าจะยืนก็เดินเดินก็เดินั่งก็ต่างให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้ไปปล่อยเป็นประจำถ้ามันไปทึงอื่นดึงกลับมาดึงกลับมาคือสติถ้าเราไม่สติไม่งั้นก็ออกไปเที่ยวอิด นี่ยมันก็เที่ยวอยู่ในี่จิตมันชอบก็ดึงกลับมาสอนมันอยู่เนี่ยตอนในกลังยืนอยู่นะกําลังเดินอยู่นะกําลังนั่งอยู่นะกําลังบริกรรมอยู่นะน ะ, นะต้องการเราอยู่กับอารมณ์อย่างนี้คือต้องการให้เราเห็นอืทุกอริยบทคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปของตัวเราเองแบบไปยืนนั้นเป็นยังไงเดินเป็นยังไงนั่งเป็นยังงอาการของมันในแต่ละวันแล้วเรามาสรุปว่าวันนี้ทั้งหมดเนี่ย า, ากุศลอกุศลอัไนรนไม่มากกว่ากันนี่คือสติก็ตั้งสติใหม่โอถ้าอากุศลมากกว่าแสดงว่าเรายัางดีไม่พอเพราะนั่นดีไม่พอก็ไม่แปลกมันเป็นเรื่องประหลาะอันนี้คำนี้เป็นคำที่ในหลวงเคยความแม่ครัวอาจารย์เราแบบประมาณว่าข้าพเจ้านี่ก็ทำดีมาเยอะทำไมหลายคนบางคนยังมองไม่เห็นความดี ครูอาจารย์ทั้งกระลาดทั้งไม่ได้ยก ว, ว่านนนึ้วมาตนก็ตอบว่าอาจเป็นไปได้ไหมว่าเราความดีของเรายังไม่พอตามที่ความเข้าใจของอื่นเขาแต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่มีความดีนะเราไม่ได้เป็นไม่ได้แปลว่าเราไม่ไม่ใช่คนดีแต่คนนั้นเทามองว่าเรายังดีไม่พอก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องเราก็เป็นคนดี เรื่องของเราคือเขาบองว่าเราอย่างดีไม่พอแต่นั่นก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราทีนี้เราจะยึดเขาหรือ ย, ยึดเราถ้า ย, ยึดเขามันก็ทุกข์ถ้า ย, ยึดเราก็สบายใจเนะพราะงั้นเข า, าจะทักฉลาด เ, เวลาตอบเป็นผู้มีสติปัญญาผ่านสติสมาธิปัญญาเวลาตอบบัวมเหมห้ช้ําน้ําไม่ให้ขุนปฏิพานไหวพริบของท่านยอดเยี่ยม นี่คือเป็นที่มาทําไมในหลวงของเราจรึงงกรรอบว่าจารย์ในสายปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากเลยเนฉนั้นพวกเราควจะเอาเยี่ยงเอาย่อย่างแต่เล็กนน้อยเกล็ดความรู้นิดหน่อยเพืยังตัวพยายามจะเล่าให้พวกเราเห็นว่าเออผู้ปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะในระดับใดก็ตามทําแล้วจะอนุสาวรู้ปฏิบัติธรรมทุกระดับชั้นไม่เลือกชั้นบุคคล ถ้าใครปฏิบัติธรรมทำย่อมรักษาผู้คนนั้นถ้าใครไม่ปฏิบัติธรรมทำก็ไม่รักษาคนนั้นเรื่องธรรมดาหยุดที่ทำดีแล้วไม่ใช่ว่าเราได้แค่ต้องการแล้วก็ขอเอาอธิษฐานเอาวิงวอนเอาศาสนาเราไม่ได้สอนไม่ได้สอนนะแค่นั้นศาสนาของเราเป็นศาสนาของคนผู้มีปัญญาเพราะพระุทธเจ้าตรัสู้ได้เพราะด้วยสติปัญญาของพระองค์เอง มาได้สําเร็จด้วยกันปิ่นวอนอธิษฐานขออย่างนั้นอย่างนี้แล้วสําเร็จไม่มีบุญเจ้าขอเราทําให้ดูเนี่ยจึงเป็นที่มานอธิษพระองค์ก่อนนะคูหลว่อจะพูดเสมอ ว, ว่าสอนให้จําทําให้ดูเป็นเรื่องสําคัญสอนให้จํายังไม่พอเราทําให้ดูเนี่ยพระแม่กอบจานทร์นะครับกุลสมบัติอันนี้ครบจะไปหาที่ไหนได้แ ต, แต่ละองค์แต่ละท่าน แต่ละองค์ที่ผ่านมาก็ดีที่เราเคยรู้จักมาคุณก็ดีครูฤสวัตดเราเนี่จะเป็นครูสมัครของครูบราอาจารย์ท่นก็จะปฏิบัติตัวอย่างนี้อถ้าสอนอย่างเดียวสอนจำยังไม่เคยทําเลยเนี่ยคือเป็นที่มากรองคังงยยานะที่เป็นบุญธรรมสอนให้จามันคืปริยัติอย่างเดียวแต่ไม่ได้ทาําสู่คือปฏิบัตินะคือมีแต่ปริยัติไม่มีปฏิบัติมันถึงได้เป็นอย่างนี้เพราะ น, นั้นอยากให้เราต้องหลาย พร้อมทุกอย่างรวมทั้งปริยัตปฏิบัติปฏิเวทปฏิเวทมันเป็นผลเรามันต้องไปขอมันต้องไปยุ่งวอนมันจะเป็นมันจะรู้มันจะเห็นมันจะเข้าใจตามความเป็นจริงของมันเองเช่นวัจคณิกสะสมาธิอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิถ้าเราเข้าใจเข้าถึงประสบการณ์ตรงเกิดขึ้นกับตัวเราเองแล้วมันจะไม่ต้องไปถามคนอื่นว่าคณิกเงงะเป็นยังไงอุปจาระเป็นยังไงอัปปนาเป็นยังไงมันจะรู้จะเห็นมันจะเข้าใจ กลับมาที่เดิมอีกใช้ได้หมดคือรู้นี่ครับว่ารู้รู้คือเห็นเห็นแล้วว่าเอออุปจาระเป็นอย่างนี้อัปนาเป็นอย่างนี้สัจจะคือความจรงิงเราจะเข้าใจว่าอ๋อเมื่อถึงอัปนาเสร็จเข้าใจว่าอุปจาระกับอัปนามันเป็นอย่างนี้เราจะเข้าใจว่าเออเรื่องรูปเรื่องนมันชัดเจนอ๋อมุอจฉิตมันเขาเป็นลึกขนาดนั้นมันจะไม่รับรู้เรื่องกายพัาทธะทั้งหลายแล้ว มันนี้ผลใดๆทั้งสิ้นถ้าจิตมาลงลึกขนาดนั้นแต่เดิมคือเราเรารู้เรามีพัฒนารู้แต่ไม่มีสติสติมันไม่เกิดขึ้นสติสัพพัญญามันเกิดขึ้นแต่พอถ้าไอันปนานออมันจะแยกว่าพถอนตัวมาโอมรู้ปูดท้องอีกนึงบอกว่าเข้าใจกุหลา น, นั่งก็เดินจุคงจิจิตมันสงบลงแต่เข้าใจว่าจิตดวงหนึ่งมันจะบอกขึ้นมาเดียวว่าโอ นี่คือกายนี่คือจิตเข้าใจเรื่องกายเร่องจิคือเข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามทัานคือการทํางานของเขาระบบของเขาเป็นอย่างนั้นอุปจะปนะอภิณาสม า, าธุเช่นเดียวกันถ้าเกิดขึ้นแล้วมันจะลอง อ, อ๋อท้องออกมาอ๋อเมื่อกี้เป็นเรื่องของกายกับเรื่องของจิตมันคนละส่วนกันส่วนกายมทาทําหน้าที่ของเขามันก็เกิดการเย็นดอนอ่อนแข็งเวทนาเนี่นเองเกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้รับรู้ คือไม่ออกมารับรู้ข้างนอกเพราะฉะนั้นมันจึงอัปนาสมาธิมันจึงไม่เกิดปัญญามันได้กับคือมันหลบมันในกําลังมันได้พลังมันได้กําลังถอนออกมาอุปจารสมาธิการรับรู้ภาษาทั้งหลายแหล่มันจึงได้เกิดปัญญาไม่งั้นมันไม่เกิดปัญญาเราก็สลับกันอย่างเนี้ยเมื่อเราอุปจาระมากขึ้นคือใช้ปัญญาเกิดปัญญามากขึ้นมันจิตมันก็อ่อนมันกําลังคือสมาธิ มันกําลังมันอ่อนลงก็ทําสมาธิใหม่เพื่อให้มีกําลังคือพลังนั่เองหรือจะพิจารณาต่อไม่ใช่พิจารณาทั้งวันทั้งนัปีจิตมันก็มีกําลังกําลังของมันก็จํากัดคือกําลังของสติปัญญามันจํากัดมันก็อ่อนมันก็ทำอะไรไม่ได้คือมันไม่คมถ้าเป็นมีดหอกแา่มันไม่คมปัญญาไม่คมก็ทำสมาธิใหม่เพื่อให้เกิดสติปัญญาที่มีกําลัง แข็งแข็งมากขึ้นก็มารู้รูปรู้นามรู้ด้วยกันกําหนดรูปกำหนดน้ำให้เข้าใจให้จิตมันเข้าใจสิ่งเหล่านี้ให้รับรู้สิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้นไม่งั้นมันก็จะโมหะตามมามันก็จะหลงมันแยกไม่ออกแยกรูปแยกนาำไมนออกกลายเป็นหลงรูปของตัวเราตัวเขาหรือเป็นที่มาก็มหะมันจะมาหลงมาหลงโดยเฉพาะหลงหมดรูปก็หลง เสียงก็หลงเต่นก็หลงรถก็หลงแม้แต่ทำอารามณ์่เกิดขึ้นไอ้ใจมันก็หลงเป็นโมหะไปหมดนะลาหะเข้าใจโทสะล้วเข้าใจแต่โมหะคนจะเข้าใจหน่อยตัง้งแต่มันเป็นเยอะเป็นมากเป็นจนเราไม่รู้ตัวว่ามันเป็นกลายเป็นว่ามันปกตินะั่นคือโมหะเพราะเราไม่รู้ทนสิ่งเหล่านี้เพราะ น, นั้นการปฏิบัติธรรมของเรา จึงจำเป็นอย่างนี้ต้องเข้าใจคำสามคําดังกล่าวทรั้งดนึ่นคือมันเป็นต้องรู้ก็คือรับรู้พ่ปีก่อนก้อนหนึ่งบอกว่าเกิดขึ้นรับรู้ตั้งอยู่พิจรารณาสิ่งนั้นมันก็จะเป็นผลคือดับไปของมันเองนั้นคําภาวนาก็คือเกิดขึ้นทุกอย่างอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราไม่าะว่าจะเกิดขึ้นทางความคิดเกิดขึ้นคําพูด เกิดขึ้นทางการกระทํากระทำอันนี้เขาเลยว่าเกิดขึ้นเกิดขึ้นให้เรารับรู้อย่าปฏิเสธอย่าไปยินดียินรา้าวให้รับรู้มันตั้งอยู่ให้พิจารณาก่อนให้พิจารณาก่อนพิจารณาเพื่อปลายทางคือเกิดปัญญาพิจารณาคือปรัชนาเ น, นี่แหละปลายทางก็จะเกิดปัญญาคือความจรงิงเกิดขึ้นให้รับรู้ตั้งอยู่พิจารณาและความจริงมันจะปรากฏ น, นั่นก็คือสัจจะนั่นเอ ง, เองความหมายอันเดียวกัน แม้เราจะใช้คําไหนหลบหลีกกาพูดเรียบเรียงเรียงรอยเท้าคาไหนกลับมาเหมือนเดิมเรียงระดับเหมือนเดิมสุดท้ายก็คือคนเราก็เหินเห็นกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับฟอืปเกิดขึ้นในรับรู้หรือทัศประสงค์เหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่คือการดํารงอยู่ของสปปรรพสิ่งทั้งหมดทั้งมวลไม่เว้นแม้แต่รูปกายสังขารของเราตัวท่านตัวเราเป็นราตั้งอยู่มาตั้งอยู่ให้พิจารณา เราเจนกระบวนการของมันแต่มันท่าที่ของมันเราจะเห็นว่าเออมันแก่อย่างไงมันเกิดยังไงมันดับยังไงด้วยปัญญาแต่เรายังไปไม่ถึงตัวนั้นเพราะเราไม่เห็นจริงตอนนั้นมันถึงได้เป็นอย่างนี้แค่เกิดขึ้นรับรู้รับรู้แล้วก็ยอมรับไม่ได้เนะพราะเราไม่อยู่กับความจริงนะนะการภาวนามันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากมากเรื่องซับซ้อนใดๆถ้าเราเข้าใจแล้วเออ เราทํามากขึ้นก็คือความเพียรนั่นแหละทามากขึ้นนี่มันจะต้องต่อเนื่องเลยนะไม่ต้องหลากหลายไม่ต้องต่อเนื่องจิตมันถึงจะอ่อนมันแข็งมันแข็งอย่างนี้มานานแล้วสภาพจิตของเราเนี่ยมันไม่ยอมอ่อนก็คือต้องทรมานนั่งโดยการยืนเดินนั่งบางทีเหมือนที่เราทําคือไม่ต้องให้มันนอนมันจะร่างกายมันจะร้อนถ้าไหนมันจะร้อนมันโดนเผา วิโอาตาปีเนี่ยความหมายอาตาปีแปลว่าความเพียรยันกิเลสให้ร้อนอาภาษาบาลีเขาเ น, นี่คำเขาว่าอาตาปีนี่คือองค์ของวิปัสสนาสาม ค, ำคํำนี่เป็องค์ของวิปัสสนาแต่ใครไม่รู้สามคำนี้และไม่เข้าใจสามคำนี้ไม่ไดกองวิปัสสนาอันนี้คือหลักการในการภาวนาในการปฏิบัติ เรายึดหลักการอันนี้แล้วเพราะเริ่มต้นแล้วก็กําหนดนะเราใช้ว่ากําหนดโดยการกำหนดอะไรก็ได้ตามที่เราให้มันเบื้องต้นเคยกําหนดลมหายใจหรือกาหนดสภาวะหรือกําหนดสิ่งแวดล้อมตัวเราเองนี่แหละสิ่งแวดล้อมทําให้เราไข้เขยแม่เจ็ดออกออกจากการสมีธิแล้วงานรับรู้กัาเนาะตัวสิ่งแวดล้อมในตัวดีทําให้ดึงความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งของเรา ทำให้มันปรุงดีปรุงไม่ดีก็อยู่ตรงนี้เพราะมันเป็นสิ่งแวดล้อมถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีจะเกิดอะไรขึ้นแต่วันเราอยู่ทา่มทาทมกลางสิ่งแวดล้อมที่อยู่ท่ามกลางคนที่ไม่ดีเรื่อสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ดีเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นแรงดึงดูดความโจงใจอารมณ์พวรู้สึกกวามมันจะแปรปวนไปตามสิ่งแวดล้อมมากๆถ้าเราไม่มั่นคงพอตจงกันข้ามกับเรา อยู่ในสิ่งที่เว็นร่ำนี้ดีมีกิริยานิมิตรพูดแต่ความเป็นจริงพูดธรรมะพูดแต่เรือมันจันร่งเนี่ยอันเดียวสิ่งเว็นระดีเราก็เลือกได้นะเรจะเลือกสิ่งเว็นร่ำแบบไห น, นที่จะนําไปสู่ความสําเร็จของชีวิตเราเลือกได้แต่เราจะไปเลือกอยู่กับสิ่งเว็ น, นออวร่ทำที่มันไม่ดีมันนแสดงออกตามความคิดคําพูดการกระทําที่มันไม่ดีพูดได้ง่ายกับมันเน่า เอาเราตัวเองเนี่มันก็เ ห, เห ม, ม็นด้วยหมทนทนไมดเนี่ยค่ะว่าทุกขาก็นทนอยู่ไม่ต้องสิ่งเวลาไม่ดีซึ่งสิ่งเวลาไม่ดีเราสุขะือสบายเนี่ยมันก็ต่างกันตรงนี้แหละเราจะอยู่กับอะไระอารมณ์เราก็เช่นเดียวก็จะอยู่กับอารมณ์ไหนอยู่ที่เราเลือกเราเลือกได้นี่แต่ทําไมเราไม่เลือก่ะในขณะที่อารมณ์นั้นไม่ดีอารมณ์ที่อีมีเยอะแยะทําไมเราไม่คี่ถ้าเราไปเราไม่เนิ เพราะว่าสตินึกขึ้นไม่ได้นึกไม่ได้เพราะความรู้ยังไม่พอก็คือฉลาดยังไม่พอมันจึงไม่เห็นสิ่งนี้ตามความเป็นจริงนะมันก็กลับไปกลับมาวนไปเวียนมาอยู่อย่านี้ยล้ถ้าเราใช้อย่างนี้สติปัญญาอย่างนี้บ่อยๆเป็นประจํามันจนชินเราจะรู้กระบวนการการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปของมันเราคือเราเขาคือเขา เขาก็ไปตามกระบวนการของเขาเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเขาก็ดับไปมันคือกระบวนการของเขานั่นเองคือใตรักอ่ะไม่แขยงคับเขาได้เขาจะเป็นของเขาอยู่นั้นอยู่ที่ว่าเราเข้าใจกระบวนการแล้วเราวางสิ่งเหล่านั้นนิรวดาวนาตองคือแปลว่ามันไม่แปลว่าไม่มีตัวไม่มีตนเราวางสิ่งเหล่านั้นได้ปณิยปัจนาคือวางรู้อย่างเดียวไม่พอต้องวางได้ด้วย รู้ความจริงยังไม่พอต้องวางได้ด้วยจะเรียกว่าอารมณ์ของปัสนามันเป็นอย่างนี้นะถ้าเจิตเราเข้าใจกระบวนการอย่างนี้แล้วดํารงอยู่อย่างนี้ในขณะที่เราปฏิบัติยืนเดินนัง่งมันก็ดีอารมณ์เนี้ยจิตของเราจะมีการพัฒนาดีขึ้นเร็วขึ้นเข้าใจสรรพสิ่งรอบตัวเรากันแปรแต่ตัวเราเองคือธาสี่กันห้าไดยกระบวนการทํางงานของมันมันก็ไปของมันอย่างนั้นแหละมันก็เกิดแก่เจ็บ แล้วก็ตายต่างกระบวนการของมันเออเราเข้าใจการทํางานของเขาสุดท้ายไปทางเป็นอย่างนั้นในขณะที่ยังไม่ถึงสุดท้ายไปทางเราก็เห็นการเกิดแก่จับตายให้เห็นคือปรสชนาจะได้วางว่าเออมันคือกระบวนการของเขาเขาไปตามกระบวนการของเขาเราบังคับปัญชาไม่ได้ไม่มีใครบังคับปัญชาเขาได้เลยเขาเป็นอย่างนั้นนะยังเรียกว่าอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนและ เราบังคับบัญชาไม่ได้เราจะเข้าใจกระบวนการอย่างเสร็จแล้วจิตเราก็เออเข้าใจต้องแต่ว่าจิตมันเข้าใจสิ่งเหล่านี้แต่มันก็จะเป็นอิสระเป็นข้อสู่การเป็นอิสระเพราะกันไม่ยึดไม่ถือไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีตัวไม่มีตนสักแต่ว่าเราสักแต่เขาไม่มีตนสักเวทนาสักว่าเวทนาสัญญาสักแต่ว่าสัญญาไม่ใช่ตัวตนเราเขา จึงอยู่ในเทศนากันที่สองที่พระเ จ, จ้าตรัสไว้เกื้ อ, อนัตตาและขัณะสูงที่อื่นนะข้นสู่การที่สองคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ใช่เร า, เาไม่ใช่เขาไม่ใช่ไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไม่มีรูปไม่มีเวทนาไม่ใช่สังขารวิญญาณเรี๋ยว่าอนาตตาอนาตาัคคือเข้าใจเสื่อมและกระบวนการพระเจ้าอะไรกทั้งหมดจึงได้บรรลุคือพ้น จากสภาวะที่จิตมันไปยึดเอารูปเวทนานย่าง ก, กั น, กนว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนคือจิตมันพ้นจากเลยจะเรียกว่าวิมต์คือพผลผลคืออะไรจิตจิตมันพ้นจากสิ่งเหล่านี้มันไม่คล้องคือสัตตะไม่เกี่ยวไม่คล้องไม่ติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้นั่นคือสุมายปลายาของเพราะนั้นอันนี้คือตัวอย่างที่ในสมัยพุทธกาลดีจะในปัจจุบันก็ดี พอเมื่อครูบอาจารย์ก็พาเร า, า, เราไปฏิบัติทำไปนั้นเราจะทำนั่งสมาธิสามสมาธิห้าที่สาสี่นาทีมันเยอะมันได้เยอ ะ, ยอะแต่ถ้านั่งไปด้วยความฟุง้งซ่นานรําคาญนั่งไปด้วยความวิตกกังวลอะไรแบนมันเหมือนกับนานนานมากแต่ถ้านั่งแล้วเราใช้ความคิดอยู่ในวงอยู่ในกรอบความคิดอย่างนีน้มันแป๊บเดียวมันไม่ได้นานเลยเพราะมันไม่ไเกี่ยวข้องกับเวทนาจิตการวิญญาจิตมันไปอิสระ มันวางจาสิ่งเหล่านี้ได้มันก็เหมือนกับท่านเดียวเมือนก็บจิตที่เรานอนหลับจิตมันวางเกา่าอันนี้มันไม่รับรู้ทางกายพวกนี้แอมย่มันวางเะมันไม่รับรู้ทางกายมันอยู่ข้างในหลบมันไปภาพข้างในไปพบข้างในพอตื่นมาเช้าือยังไม่รู้กี่วันกี่วันกี่ชั่วโมงพอเพื่อตืินมาเอายังไม่ตังคือสตินั่นแหละสตินี่คือว่าตัวสติเราลิกนึกขึ้นมาได้อยังไม่ตายยังไม่ละม้ายใจอยู่นั่นเห็นไหม แต่มันหมดไปกี่ชั่วโมงล้วก็ไม่รู้แป๊บเดียว เ, ยเองนะเวลาเราปฏิบัติก็เช่นเดียวกันถ้าเราตั้งใจปฏิบัติอยู่กับอารมณ์สิ่งเหล่านี้ยกขึ้นมาพิจารณาเพื่อให้เกิดสติเพื่อให้เกิดปัญญาพื่อไปในความละทอนปล่อยวางในสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้นานเลยก็ต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ได้ทุกครั้งมันวันฟุ้งซ่านรำกันไปกําหนดใหม่คือกําหนดลมหายใจแลต้นใหม่เอานักๆเอารงแล้วให้มันรู้ตัวก่อน อรู้ตัวก่อนก่อนที่มันจะตัวรู้เกิดขึ้นมาก็มันรู้ตัวแล้วกําหนดปลายจมูกเรหายใจเข้าสีสอนท้องท้องป่องออกมาหายใจเลืกดปวดมันจะได้มีกําลังจะได้มีแรงเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกเลือนี่คือการตั้งต้นเรือสารตั้งต้นหลังจากนั้นก็ปล่อยธรรมชาติของเขาอ่ะมินที่เรียกคือกําหนดถึงหลังจากนั้นคือกําหนดเขาเลยรูปแล้วเขาใจะรูปละลราจะการเรื่องรูปละ เราไปก็เวทนาทำที่เราสัญญาส ah, ังขารวิญญาณเรียนรู้ไปกระบวนการเขาเป็นอย่างนี้เสุดท้าก็เห็นทั้งหมดทั้งมวลกระบวนการเขาเกิดขึ้นทั้งยุโรปต่อไปนี่คือกระบวนการเรื่อรวัตรใจลัะคือหลักฐานเต็มเสมอกันบางทีเรืสามัญญาลักษณะคือมันเสมอกันหมดไม่มีเว้นตัวตนเราเขาไม่อยู่เป็นผู้หญิงผู้ชายใไรั้งคุณเรื่อสามัญญะลักษณะคือมันเสมอกัน มันไม่มีใครได้ไม่มีใค่เสียมันเท่ากันหมดความหมายก็มันเท่ากันนี่คือความเท่าเทียมไม่มีใครแตกต่างก็แปลว่ามันไม่มีเพศไม่มีวัยไม่มีชาติไม่มีตระกูลละถ้าทําทำอย่างนี้ได้มันก็จะไปพร้อมๆกันไปหมดเสมอกันไปหมดอ่จารย์ฝากเอาไว้สามคำคือหนึ่งรู้เห็นแต่สิ่งที่รู้เห็นเราต้องเป็นความจริงลย มันเป็นคนจริงๆเราต้องว่างได้ด้วยนั่นคือกระบวนการทั้งหมดฝากอะไรสำหรับพวกเราในข้ามคืนวันนี้เพื่อจะเป็นแนวนึกแนวคิดแนวปฏิบัติในภาษาการนี้ก็จะสุร้าประโยชน์ได้ประโยชน์ได้มากได้น้อยแล้วแต่สติปัญญาบารมีของเราแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละก็ตามอย่าท้ออย่าท้อไสู้ความเพียนขาดไม่ได้ต้องมีทุวกวันมากน้อยไม่เป็นไร แต่ถ้าวันไหนขาดแล้วก็กิเลสมันก็จะนำะํำเราโอ้วันนี้ยังไม่สะดวกไม่เวลากิเลสมันก็จะมานําเราต่อแล้วเป็นสบายละมีผู้นําละเป็นผู้ตามอย่างเดียวหรือเราจะเป็นอย่างนี้ตลอดกับตลอดกรรมถ้าเราจะเป็นอย่างนี้มันก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดกับตลอดกรรมวนเวียนไปวนมายอยู่อย่างเนี้ยถ้าจะเราเป็นผู้นําบ้างเออนํากิเลสมาบ้างก็น่านจะดีนะ มันก็ฝากไว้พวกเราทุกคนก็ขออนุโมทนาความดีที่พวกเราทุกคนมีเสียสละโอกาสเวลาหน้าที่การงานความเหนื่อยเหนื่อยเมื่อล้าในภารกิจแต่ละวันกน็ถึงว่าเหน่อยแล้ววันนี้ก็เือวมาพักนะ่อมาพักกิจงกกิตพักกายพักจิตของเราเพื่อที่พัฒนาจิตใ จ, จงรเราให้เจริญมากขึ้นขอให้เรายได้มีความเจริญ ท, ทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเทิน